สี่ประเพณีเราถือกันมาว่าชมมาจรโรการสุปฏิสามปฏิกัสอันเรีอัญเีวรังอัญญาจาถึกสันติธาตุตาพระรักกาชาติกาเทเกตุธรรมนุก ร, รมปีมังปะชังนั้นหมายถึงเท้ามาครับชมลงมาราทนาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมตสัตว์โลกเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้า ทรงปรารถนาเป็นโพธิยานเพื่อความจัดสรู้เป็นศาสต ร, ร, ราเอกของโลกแล้วโปรดบรรดาสัตว์ทั้งหลายจนกว่าจะถึงอารรยุการของพระองค์แล้วประทานพระศาสนาไว้นี่เป็นความปรารถนาดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าทีนี้พอบำเพ็ญเข้าถึงขั้นจัดสรุ้ถึง ได้เป็นพระพุทธเจ้าเข้าจริงๆแล้วพระทยดวงที่ได้พระนามว่าเป็นพระพุทธเจ้าคือจะทรงสั่งสอนสัตว์โลกนั้นเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์สุดส่วนเป็นความอัศจรรย์เหนือโลกทั้งสามไม่มีสิ่งใดที่จะละเอียดอ่อนและความอัศจรรย์ยิ่งกว่า พระไทยของพระองค์ที่ได้ทรงค้นพบในขณะนั้นคือวันเดือนหกเพ็ญตัดชิมมาสมัยหมายถึงจวนสว่างเมื่อได้ทรงเห็นทาอัฏจารย์ภายในพระไทยแล้วแล้วมัดเทียบดูสัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องสง ม, ม อยู่ภายในจิตใจกายวาจากักบธรรมประเภทที่จะนำไปสั่งสอนสัตว์โลกนี้รู้สึกว่าไกลกันห่างกันลิบลับนี่ครับทำให้ท้อพระไทยคือท้อใจภาษาเราพระไทยก็หมายถึงใจทำให้ท้อใจ ไม่ทรงอยากสสั่งสอนใครทั้งนั้นแหละทรงทําข่นขวายทําความมันขวายน้อยอยากจะอยู่ลาพังพระองค์เดียวแม้จะสั่งสอนให้พูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครจะทราบจะรู้เรื่องรู้ราวได้เพราะอันหนึ่งหนามืดแปดทิศแปดด้านอันหนึ่งเป็นธรรมชาติอัศจรรย์มันจะเข้ากันได้อย่างไรนี่พูดตามความหมายเป็นอย่างนั้น ทรงทำของขอนขอาไขน้อยของสงสารสัตว์โลกก็สงสารเต็มพระไทยแต่ที่จะแนะนำสั่งสอนในสัตว์โลกทราบหรได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ก็สุดวิสัยในขณะนั้นทรงคิดเฉพาะในวงปัจจุบันที่ทรงรู้ทรงเห็นเท่านั้นไม่ได้แยกแยะออกไปถึงปฏิปทาเครื่องนำนึ่งท่นี้พอ หลังจากนั้นก็เป็นเหตุให้ทรงคิดถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินที่พระองค์ดำเนินมานี้แล้วยกเอาความบริสุทธิ์อัศจรรย์นั้นขึ้นว่าถ้าหากว่าธรรมธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกของมนุษย์ทั้งหลายที่จะรู้ได้เห็นได้จริงอย่างที่ว่านั้นแล้วเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง เหมือน ก, นกันกับมนุษย์ทั่วๆไปเหตุใดเราถึงรู้ถึงเห็นได้เราถึงรู้ได้ อ, อพูดง่ายๆเรารู้ได้เพราะเหตุใดทีนี้ก็เป็นเหตุที่จะให้ขยายออกไปถึงปฏิบาัตาิคือทางดําเนินเข้ามาสู่ธรรมจุดนี้เรารู้ได้ด้วยเหตุนั้นเหตุ น, นั้นยกตัวอย่างย่อยๆก่็ทรงพิจารณาอานาปานาสติ คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกภาษาของเราเรียกว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสติเมื่อจิตมีความจดจอ่ตอต่อเนื่อง ก, กันกับลมอยู่โดยลำดับด้วยความมีสติเป็นเครื่องประครับประคองไม่ท้้งเถอะจากงานของตนอยู่แล้วจิตที่เคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์อันใดก็รวมตัวเข้ามาสู่จุด แห่งงานที่กําลังทําอยู่เวลานั้นได้แก่อนาปันนัสติจนพระจิตของพระองค์ได้สงบรวมลงอย่างละเอียดสุขขุมแล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในขณะนั้นน่กคือย้อนออกมาพิจารณาดูปฏิจจสมุปบาทพาะถึงขั้นแห่งทำละเอียดแล้วเนื่องจากใจมีความละเอียดเพราะปราศจากอารมณ์ใดมาก่อกวน อวิชาปัจจญาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจญาสร้างฆาราปัจจิสร้างฆาราปัจญ า, า, า, าวิญญาณหังวิญญาปัจญานามารูปังนามารูปะเจยียสราจะเป็นหังเรื่อยไปกำหนดดูความเกิดความดับของจิตของอาการของจิตมีอะไรเป็นสาเหตุให้มันตุงมันแตกด้วยเรื่องด้วยราวเพราะความอยาก ไม่มีวันอิ่มพอเป็นเครื่องหมุนออกมานี้อะไรเป็นเหตุให้อยากสินี้เป็นสาเหตุคิดให้ตรุงห้ถึงกับต้องมีภพมีชาติมีความเกิดแก่เกิบตายไม่แล้วไม่เล่าสักทีกาหนดเข้าไปสู่ต้นเหตุแห่งภพแห่งชาติแห่งความเกิดแก่เกิบตายหรือต้นเหตุของกิเลสแท้ๆก็ได้แก่อวิชชามันรวมตัวอยู่ภายในจิต ดวงเดียวในขณะนั้นไม่มีกิ่นก้านแขนงใดๆที่จะแสดงตัวออกไปในทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ no ้นกายเขาทรงทราบชัดในขณะนั้นที่เรียกว่าจัดชรู้นั่นแหละท่านใดจัดชารู้นี่คือปฏิปทาที่พระองค์ทรงดำเนินเข้าไปถึงธรรมะจันรนั้นดำเนินในขั้นเริ่มแรก ทสงพิจนาอนาปาณสติแล้วกำหนดนิปัฒนายานในขณะนั้นนิปัฒนายานคือความละเอียดแห่งท้าปัญญาปรีชาสามารถรอบรู้ในสิ่งที่เกี่ยวพันกับจิตแม้จะมีส่วนเป็นส่วนละเอียดเพียงไหลคือวิชาเป็นความละเอียดมากในบรรดาสมมุติหรือบรรดากิเลสทุกประเภทไม่มี ยประเภทใดที่ะละเอียดแหลมคมหรือหน้าติ่งยิ่งกว่ า, าวิชาแต่พระปัญญามีความละเอียดสามารถยิ่งกว่ า, าวิชาจึงสามารถถอดถอนรือถอนธรรมชาตินั้นออกจากพระไถ่ได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อทรงได้ทบทวนทั้งเหตุคือการปฏิบัติ ของพระองค์และผลคือความบริสุทธิ์อย่างละเอียดถี่ทวนแล้วจึงตรองพระไทยลงเออทีนี้สั่งสอนสัตว์โลกได้แล้วทีนี้เพราะมีทางําเนินจะต้องสั่งสอนอุบายวิธีต่างๆดังที่เคยดังที่เราได้ปฏิบัติมาแก่บรรดาสัตว์กู้มีปณิสัยสมควรที่จะได้รู้ได้เห็นต้องรู้ต้องเห็น พราะความจริงเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนเนี่ยสิ่งที่มันปกปิดกํบาบังจิตใจก็ได้จะทุกข์นั่นสมุ ท, ทยัยนี่มันปิดบังจิตใจจนกลายเป็นของไม่มีคุณค่าอันใดทั้งสิ้นในความรู้สึกของแต่ละบุคคลเห็นจากจริงอื่นว่าเป็นของที่มีคุณค่าไปเสียสิ้น ลืมสิ่งที่มีคุณค่าเพราะถูกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าปกปิดกำบังเสียหมดจึงต้องอาศัยพระปัญญาพระสติพระปัญญาที่เรียกว่ามรรคเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ออกโดยลำดับลาดับคำว่าสมาธิก็มาพร้อมกันกับขณะที่จิตมีความสงบเข้าด้วยอนาปานสติ คำว่าปัญญาเมื่อจิตได้สงบตัวเข้าแล้วก็มีพลังสามารถที่จะแยกแยะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายหรือขันเหล่านี้ยังเข้าไปถึงตัวจริงของสมมติคืออวิชชาได้อย่างตลอดทั่วถึงจนได้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ขึ้นมานิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับสนิทในขณะนั้นเพราะ กิเลสดับไปที่เรียกว่าสมุทยนั่นแหละมันดับนิโรธคือความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาในประไทยทุกภายในจิตใจก็ดับเพราะกิเลสดับมักมีสติปัญญาเป็นต้นก็หมดหน้าที่นิโรธคือความดับทุก เพียงขั้นดับทุกขณะเดียวเท่านั้นก็หมดปัญหาไปเพราะไม่มีทุกอันใดที่จะมาให้ดับอีกแล้วเนื่องจากสาเหตุที่จะให้เกิดทุก์ไม่มีผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปกิเลสดับไปนิโรธทำหน้าที่ผ่านไปมรรคทำหน้าที่ผ่านไปนั่นคือความบริสุทธ เมื่อได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วจึงทรงมีความอัศจรรย์เฉพาะพระองค์และทรงมีความคลว่อนไหน้อยว่าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่สัตว์ทั้งหลายจะรู้ได้นะเมื่อได้ทบทวนถึงปฏิปทาเกีย่ยวโยงกันกับผลคือทั้งเหตุทั้งผลเกี่ยวโยงกันแล้วก็ตรงพระไทยที่จะสั่งสอนสัตว์และจึงทรงเลียมยานอ่ะ มาสมควรจะสั่งสอนบุคคลผู้ใดก่อนก็ไปประวัติไปถึงอ า, าลาลดาบดและอุตกาดาบด ท, ทั้งสองซึ่งเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาแต่ก่อนแต่ไม่ใช่ทางจึงทรงหลีกหนีจากดาบด ท, ทั้งสองนั้นเสียแล้วย้อนจะไปสั่งสอนดาบด ท, ทั้งสองนี้ว่าเป็นผู้ควรแล้วที่จะต้องรับทำประเภทนี้ได้อย่างง่ายได้ แต่ทรงทราบในพยายนขณะนั้นว่าออได้สิ่งไปเสียแล้วตั้งแต่เย็นวานนี้น่าเสียดายเนี่ยก็ทอดพระทยัยหมดอะไรละหมดหวังที่จะไปสั่งสอนจึงต้องย้อนครับไปถึงโบกกลับมาถึงเ็นจกบกีทั้งห้ว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้สมควรที่จะได้ รู้เห็นทาเหล่านี้อย่างรวดเร็วในเสด็จไปสั่งสอนเป็นตะวาขี่ทั้งห้าขืนบังตนก็แสดงธรรมาจักกับปวัตนสูตรคือทางโคง้งหย่อนยานเกินไปเรียกว่าทางอ้อมท า, ทางโคตทางโค้งทรมานจนเกินไปแต่หายเห ผลไม่ได้เพราะทรมานเหตุซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะควรเกิดขึ้นแต่ผลผลก็เกิดขึ้นไม่นานพระองค์จึงสอนมัชชิมาปฏิปทาเข้าไปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสามังกปูสัมมากมุปปจาสัมมากมันโตจนกระทั่งถึงสมาสมาธิไปโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าแสดแงอริยสัจ ชาติปิดูขาชาลาปิดูขาก็แสดงสมุทัยก็แสดงมร ก, ก็แสดงแล้วก็ น, นิโรธก็แสดงเบนจาวกีทั้งห้ามีพระอัญญากคนทยะเป็นต้นได้บรรลุพระโสดาบันในขณะชาติประธานพระธรรมจักรจบลงได้เต่นอุทานขึ้นว่ายังจิงจิสมุได้ทำมังสับบันตังนิโรธและมังสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องหนับ นี่ได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากนั้นก็ได้แสดงอนัตตลกนัสูตรแสดงถึงเรื่องอนัตตารูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาคำามารูปไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นผลจุดท้ายรวมลงว่าสัพเพธรรมานตานี่เรียกว่ารวมยอด จะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดก็ตามไม่เพียงจะเป็นไอ้จังทุกอนัตาเป็นอนัตตาทั้งสิบรวมลงและทำทั้งหลายเป็นอนัตตาท่านเหล่านี้จึงได้บรรลุธรรมเป็นพระหันขึ้นมานี่เพราะพระองค์มีพระเมตตาตรงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์ในเบื้องตน้นเนื่องจากพระเมตตามี เต็มพระทัยอยู่แล้วอันดับที่สองคืออันดับแรกนี้เป็นธรรมาฏิฐานทรงมีพระเมตตาที่จะสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วตามความปรารถนาที่ทรงตั้งไว้อันดับที่สองก็มีท้าหมาพรมลงมาราดธนาดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นนั้นว่าธมมาเจรโรกา ธ, รรธิ่ปติสามปฏิ มาขอรัตนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนสาลกผู้มีทุลีอันบาบางยังมีอยู่มากท่านเหล่านี้ได้พ้นทุกพ้นภยัยแม้ผู้ที่ยังหนาคนนี้ก็จะได้คอยได้รับผลรับประโยชน์จึงได้มีธรรมเนียมเวลาท่านจะเทศกับพูมมาจโรกาเรื่อยมาแต่กรรมฐานส่วนมาก เป็นไม่ได้ไม่อาราธนาแหละท่านนึกน้อมถึงความความเคารพถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศ า, าสดาก็เป็นหน้าโมขึ้นมาพร้อมแล้วในขนาดนั้นจากนั้นท่านก็แสดงอุบายต่างๆมันเป็นอัดเป็นธรรมเป็นแนวทางที่จะให้คนรู้ดีรู้ชั่วนแลยประพุทธปฏิบัติตาม ทั้งฝ่ายละและฝ่ายบําเพ็ญไปโดยลําดับๆจนกระทั่งสมควรแก่าการเวลาแล้วท่านก็ยุติที่เรียกว่าจบธรรมเทศนาออันนี้ปกติท่านก็บ่าเอวังก็มีด้วยประการนัชณีว่าอสรุปทำทั้งหลายลงในเอวงังมีเท่านี้ว่าจบเพียงแค่นี้ว่างั้นเราบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าผมมามีมาตั้งแต่ครั้งใด มีมาตั้งแต่ครั้งน้นแหละเป็นประเพณีเลยถือกันมาเรื่อยๆถึงเราจะไม่ภากรมมาจะโลกาก็ตามการแสดงธรรมก็แสดงเพื่อผู้ฟังเมื่อเหตุการณ์หรือบุคคลที่ควรจะรับฟังพร้อมกันอยู่แล้วกับผู้เทศเราก็เทศเทศแปลว่าบอกแน่เทศนาเทศนาแปลว่าบอกแปลว่าแนะแนวทางให้ เรียกว่าเทพเราทั้งหลายได้เข้าใจไว้อย่างนั้นเราได้เกิดมาในถาำกลางแห่งพระศาสนาเลพากัรละลึกถึงกุตโธธมโมสังโคบ้างวันคืนปีเดือนร่วงไปร่วงไปจะให้ร่วงเลยไปเสียเ ป, เปล่าจะเสียประโยชน์ในเวลาจำเป็นคว้าอะไรจะไม่เจอเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีอัตมีธรรมมีกุณงามความดี เวลาจำเป็นจำใจขึ้นมาแล้วเราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเรื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นพอประทังตั้งหรื่อตั้งตัวได้อยู่ในโลกนี้เราก็พึ่งบุญคือความตกถ้าหากมีตั้งแต่ความทุกข์ล้วนๆแผลเเผยี่ตลอดเวลาใครจะอยากมาอยู่ในโลกนี้ เท้าที่อยู่กันได้ก็พอมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ค่อยเกลียปนกันไปพอบรรเทาไประยะหนึง่งระยะหนึง่งอาศัยความเย็นบ้างร้อนบ้างไม่มีแต่ร้อนอย่างเดียวอาศัยมีความสุขบ้างไม่มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวคําว่าบุญก็คือความสุขสาเหตุที่จะให้เกิดความสุขก็คือการกระทําความดีข้างกล่าวไว้อย่างนี้ บุญยังสุขข้งชีตัดสังขยมหนะิบุญทำให้เกิดสุขทั้งปัจจุบันและสิ้นชีวิตไปแล้วนะั่นเบอกอย่างนั้นตลอดไปคำว่าบุญไม่เคยเป็นภัยต่อผู้ใดสัตว์โลกรายใดทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่สนับสนุนใมีความสุขความสบายอยู่ในภพใดแดนใดความสุขนี้จะปราศจากไม่ได้ ต้องอาศัยความสุขคืออาศัยบุญเพราะฉะนั้นเราจึงควรได้ทําบุญการทําบุญเราไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองเข้าของตั้งแขนตั้งล้านมาทําเราทําด้วยน้ําใจเรามีมากมีน้อยทําตามกําลังศรัทธาความสามารถของเราเช่นให้ทานมีอะไรเราก็ทานน้ําใจเป็นสําคัญอยู่มากวัตถุเป็นเครื่องประกอบถ้าเราวัตถุของเรา ไม่มีดีไม่มีเยี่ยมอ่ะเรามีอะไรเราก็ทานสำคัญอยู่ที่น้ำใจอีกเอาวัตถุดีด้วยน้ำใจดีด้วยก็เพิ่มขึ้นไปอีกอย่ากระภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆอย่าละอย่าวางอยู่ที่ไหนก็นึกได้พุทธโธถึงองค์สาสดาผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือความรู้ของเรานี่เด่นดวงเนี่ย เราละลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงเจ้าความสุขความสบายผลประโยชน์อันใดมอบให้พระพุทธเจ้าเราละลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมะพุทธะหมายถึงความรู้ที่มีอยู่กับตัวของเรานี่แหละแต่อาศัยพระนามของพระพุทธเจ้าชื่อของพระพุทธเจ้าเข้ามาบริกรรมภายในจิตใจว่าพุทโธพุทโธทีนี้เมื่อพุทโธกับความรู้เราคมกลืนกันไปอย่างสนิทแล้วธรรมะพุทโธอันแท้จริงก็คือความรู้ของเราที่เด่นดวงอยู่ในเวลานั้น อันเป็นผลมาจากการภาวนาพุทโธนั่นแหละนี่ก็เป็นบุญอันหนึ่เป็นความผาสุกเห็นใจให้พากันบำเพ็ญงามความดีอย่ากตำหนิปิเตียนตนเองว่าบุญน้อยว่าสนาน้อยว่าทุกข์ว่าจนคนเราถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์แล้วทุกข์ด้วยกันทุกคนเกิดขึ้นมาทีแรกผ้าผืนหนึ่งก็ไม่ได้ติดตัวมาะ มีแต่ร่างเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกร่างกายนี้ก็คือธาตุสีดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าแล้วมีจิตเข้าไปเป็นตัวการเป็นเจ้าของข้าวล่ารูปเป็นผู้เป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นจักวเป็นบุคคลขึ้นมาเวลาจะจะตายก็ต้อง ส, ะสะละสิ่งเหล่านี้อีกไหวตามโลกเดิมของเขาแหนสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเสื้อผ้าที่ อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆตลอดร่างกายของเราก็ต้องมอบไว้ตามเป็นสมบัติเดินของโลกอันนี้ใครจะยึดจะถือเอาไปไม่ได้นอกจากคุณงามความดีที่เราอาศัยส ม, มุติเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้เราได้ทําเช่นอาศัยวัตถุเหล่านี้เป็นทานอาศัยร่างกายนี้บําเพ็ญกุศลผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําด้วยวัตถุใดก็าตามก็ เป็นความดีเป็นบุญเข้าไปเป็นสมบัติของใจอันนี้แหละผู้ที่จะติดซ้อยห้อยตามจริงๆคือบุญนี่แหละอันนี้เป็นของแท้นั้นจึงอย่าได้นอนใจอย่าได้ตำหนิตีเตียนตนว่าเป็นคนทุกคนตนพูดถึงเรื่องมี ม, มีด้วยการจนด้วยการนใครไม่ได้เป็นเศรษฐี มาตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดมาก็เป็นเศรษฐีมันมีร่างกายอันเดียวเท่านั้นเหมือนกันหมดเนีในส่วนที่จะเกิดมามากน้อยนั้นก่อนแล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราเคยสร้างไว้ทลายก็ไม่ต้องประตทำนิถ้าทำนิกระทำนิเรานี่แหละตําหนิเราไม่ใช่ตทำนิเพื่อให้ท้อถอยแต่สมมุติว่าชาตินี้เรามีวาสนาน้อยเอาให้เราสร้างความดีม่มีวัตถุเป็นเครื่องมือที่จะสร้างก็ให้สร้างด้วยกิตติภวนา คือพุโทโธธรรมโมสังโฆให้เป็นเครื่องอบอุ่นภายในจิตใจก็เรียกว่าคนมีบุญเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันขอให้พากันเข้าใจเอาแค่นี้การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละ